ในท่ามกลางหมู่แห่งสัตว์โลกนันอันนี้พูดถึงทั้งโลกเลยนะโดยมากหมูสัตว์นั้นมีจิตท่องเที่ยวไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมเป็นไปในเรื่องราวต่างๆความคิดของเขาที่มีการรับรู้เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะนั้นโดยมากแล้วจิตของเขาเป็นราคะบ้าง จิตของเขาเป็นโทสะบ้างจิตของเขาเป็นโมหะบ้างความที่จิตเป็นไปกับปาคาโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความโง่เขลาเบาปัญญาทั้งหลายอันนี้เป็นความคดทางทางความคิดเป็นทางคดเป็นความคดทางจิตวิญญาณเป็นคำพูดที่เปล่งออกมาก็เป็นวาจาที่คดคือไม่ตรง แล้วก็กายกรรมทั้งหมดสิ่งที่เขาทำอยู่ก็เป็นสิ่งที่คดเรียก ว, ว่าความคดทางกายวาจาและใจในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความคดความทุจริตเหล่านั้นก็ยังมีบุคคลที่เห็นโทษนนะเห็นโทษของราคะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของโมหะพากันมาสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อราคะโทสะ โ, โมหะ สมท า, านศรัท ธ, ธาซึ่งปกตินั้นสภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธานั้นเป็นคุณธรรมที่ชำระความเศร้าหมองของจิตคือทําจิตให้ใสปกติแล้วหมูสัตว์ทั้งหลายยินดีที่จะให้จิตนี้เศร้ามองต่อไปไม่เห็นโทษของความเศร้าหมองทางจิตใจซึ่งเราทั้งหลายก็มาเจริญศรัท ธ, ธากัน ให้ศรัทธาของเราเนี่ยโคจรคือเอาศรัทธาเป็นเครื่องชำระจิตโดยให้จิตนี้โครจรไปในคุณของพระพุทธเจ้านี่ยนะท่องเที่ยวไปในคุณของพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปในคุณของพระธรรมท่องเที่ยวไปในคุณของพระสงฆ์ทั้งหลายการที่จิตท่องเที่ยวไปในคุณของพระรัตนมตรายศรัทธาก็ยิ่งมีกําลังยิ่งขึ้นศรัทธาที่มีกําลังยิ่งขึ้นก็ฟอกจิตนี่ยนะ ฟอกจิตฟอกเจตสิกฟอกธรรมที่สัมปยุตให้ใจเหล่านั้นเป็นใจที่ซื่อตรงให้ใจเหล่านั้นเป็นใจที่ดําเนินไปได้ด้วยดีในกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นผู้สมาทานศรัท ธ, ธาสมาทานที่จะประพฤติยึดถือในศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้านั้นสอนให้สมาทานยึดถือศรัท ธ, ธาไอคำว่ายึดถือไม่ใช่ว่าไปยึดถือในศรัท ธ, ธาที่ดับไปแล้วแต่หมายถึง ให้ศรัทธาเนี่ยเกิดใหม่ๆเกิดอยู่ร่ําไปเกิดอยู่ตลอดเกิดอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้สอนให้ไปอะไรอาวุ์ในศรัทธาที่ดับไปแล้วแต่ให้ศรัทธาใหม่ๆนี่เกิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักเอิ่มไม่รู้จักพอมีแต่คําว่าเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นไปจนกว่าสัตทินเซ่เนี่ยนะจะสัมปยุตกับอรหัตตมรักนั่นแหละจึงจะพอคือถ้าถึงจุด เต็มที่แล้วพอโดยธรรมชาติเนี่ยนะพอโดยโดยสภาวะเองนะงั้นการสมทานศรัทธาถือว่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมพระองค์ตรัสว่าศรัทธานั้นเป็นเหตุให้บุคคลข้ามจากโอคะได้ผู้ที่มีศรัทธานั้นสามารถที่จะออกจากสังสารวัฏได้แต่ทีนี้คําว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงศรัทธาที่ประกอบกับปัญญาความที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานี่แหละ จึงทำให้เจริญพุทธานุสติได้ถ้าศรัท ธ, ธาใดที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจะไม่เจริญพุทธานุสติจะไม่เจริญธรรมานุสติจะไม่เจริญสังขานุสติความที่ศรัท ธ, ธากับปัญญาเป็นไปด้วยดีเป็นไปควบคู่กันเขาจึงเจริญอนุสติได้เนี่ยนะจึงเจริญกรรมฐานได้แล้วอนุสตินี้ถือว่าเป็นกรรมฐานพิเศษพิเศษตรงที่ว่า เป็นกรรมฐานที่เป็นไปเพื่อวิวัตตะโดยส่วนเดียวเพราะเรามาชื่นชมบุคคลที่ออกจากวัตตะชื่นชมพระพุทธเจ้าผู้ทําที่สุดแห่งวัตทุกข์ชื่นชมคำสอนที่เป็นคำสอนที่นาออกจากทุกข์ชื่นชมความปฏิบัติ ด, ดีของพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะขณะเดียวกันเราก็ยังสมาทานสิ่งที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์อย่างอื่นอีกคือสมาทานศีล ศีลนี้ชื่อว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมชั้นสูงๆงต่อไปเป็นฐานเป็นบาทแห่งกุศลชั้นสูงดันั้นการสมาทานศีลการยึดถือเอาศีลให้กายวาจาใจเป็นไปกับศีลนะซึ่งศีลเหล่านี้จะได้กล่าวในสูตรต่อต่อไปถึงผลอนิสงส์ของศีลแล้วก็ยังไม่พอใช่ยังสมาทานสุตะ สมาทานที่จะฟังธรรมสมาทานที่จะฟังถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าอย่างอุทานคำพีที่เราเรียนนั้นเป็นคำพีที่กล่าวถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากล่าวถึงความที่พระธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติตามก็นำออกจากทุกข์อย่างแท้จริงแล้วก็กล่าวถึงความปฏิบัติดีของพระสงค์อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการสมท า, านโสตาปฏิยังฆธรรม สมาทานข้อปฏิบัติเพื่อทําให้เป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันทั้งหลายเขาคบสัตบรุษคือมีใจเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในพระตัตนตรยัยอย่างสมัยนี้เนี่ยท่านถามว่าคบสัตบุรุษนี้เป็นอย่างไรก็คือให้ใจของเราทั้งหลายเป็นไปกับพระรัตนตรัยเมื่อใดที่ใจเป็นไปกับพระตัตนตรัยอย่างนั้นแหละเรียกว่าคบสัตบุรุษนี่ก็ไม่ลืมว่าพระตัตนะตรัยท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไร คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นอย่างไรให้ใจโคจรไปกับคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านั้นอันนั้นก็เป็นการฟังธรรมฟังที่ใดก็ตามอ่านหนังสืออยู่ที่ใดก็ตามถ้าเป็นไปกับคุณของพระรัตนตรายอยู่ก็เป็นเรื่องที่ควรแกการอนุโมทนาทีนี้เมื่อรู้จักพระรัตนตรยัยฟังคำสอนเข้าใจคำสอนเป็นอย่างดี คำสอนเหล่านั้นทํำยังไงให้แผ่กระจายไปในชีวิตเนี่ยนะเป็นเป็นชีวิตที่เป็นไปกับคําสอนคล้ายๆ ก, กับอลวะาจยักที่บอกว่าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเนี่ยนะพลางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่านมัสการพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงว่าในทวารทั้ง6เป็นไปกับคุณพระรัตนตรยัยเนี่ยนะไม่ว่าจะเห็น ตาเห็นสีแต่เห็นพระพุทธคุณอยู่ด้วยหูได้ยินเสียงได้ยินคําสอนอยู่ด้วยเป็นต้นั้นถ้าหากว่าจิตของผู้ใดโคจรไปขนาดนี้ได้กุศลธรรมเจริญงอกงามระดับนี้ได้ก็มาเชื่อว่าไม่นานสักเท่าไหร่เขาจะทําที่สุดแห่งทุกข์ข้อแม้ว่าอย่าเลิกซะก่อนเนี่ยนะแต่ถ้าเลิกก่อนก็ยังว่านะหุงข้าวเกือบสุกแล้วไฟดับนี่ก็ไม่ต้องแล้วนะกินข้าวดิบไปก่อนเถอะ นี่ก็เหมือนการการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสันเสริญสาตัดจักกิริยากุศลธรรมที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ากุศลเป็นไปไม่ต่อเนื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าทําแบบขาดขา ด, ดเกิ น, กนอะไรอย่างเงี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อะไรที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นจะมีคุณภาพเนี่ยนะกลายเป็นสิ่งที่ดีวันนี้มาต่อพระธรรมในคัมภีร์อุทานต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะ ในหน้า81นะผ่านไปแล้ว3สูตร3สูตรนี้จริงๆก็ชื่อว่าโพธิสูตรเนี่ยนะโพธิแปลว่าตรัสรู้ใช่ไหมสูตรเกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสูตรที่1ที่สองที่สสูตรที่1เรียกว่าปฐมสูตรที่2เรียกว่าทุติยะสูตรที่สก็ตติยะนี่มาขึ้นสูตรที่4อาชาปารนิโครดสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้อชะปาละนิคโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาก็เป็นต้นไม้ที่คนเลี้ยงแพชอบไปพักนะเนีเพราะว่าเป็นต้นไซที่นิคโครดนี้แปละว่าต้นไซนะนะเป็นต้นไซที่ร่มเงาะนะที่พวกแพกลางวันแดดร้อนๆก็ไปพักที่นั่นคนเลี้ยงแพก็พักอยู่ที่นั่นใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาน่นะที่ตำบลอุรุเวลา สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุติสุขด้วยบาลังอันเดียวตลอดเจ็วันช่วงแรกตรัสรู้เนี่ยนะสีสิบก้าวันเนี่ยเสัปดาห์เนี่ยนะโดยมากพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยการสเสวยวิมุติสุขสลับกับการพิจารณาธรรมแต่ในต้นที่โคนต้นไทรเนี่ยนะโคนต้นไทรที่คนเลี้ยงแพะไปพักเนี่ยพระองค์สเสวยวิมุติสุข ครั้งนั้นแลพอล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธิคือเสด็จออกจากอรหัตผลสมาธินะนะก็โดยมากพระองค์เนี่ยจะเข้าพระสมาบัติในพระไตรปิฎกหลายแห่งกล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วใจของพระองค์เนี่ยโอนไปในสิ่งเดียวเท่านั้นะคือพระนิพพานโอนไปที่จะเข้าพระสมาบัติโดยส่วนเดียว แต่เพราะเจริญกรุณาสลับสลับขั้นสลับในระหว่างจึงทำให้พระองค์เนี่ยโปรดเวณัยสัตว์และก็สั่งสอนธรรมแต่ถ้าอัธยาศัยนนะัอัย า, ายจริงๆก็คือเอตัวจิตใจของพระองค์จริงๆเน้น้อมไปในพระนิพพานโดยส่วนเดียวไม่อะไรเยื่อใยในสังขารแม้แต่นิดเดียวแต่กรุณากรุณานี่กระตุ้นเตือนให้พระองค์นี้สงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวณัยสัตว์ทั้งหลาย มันแม้ทั้งในแรกตรัสรู้ก็เหมือนกันเนี่ยนะตอนนั้นพระองค์เนี่ยเน้นไปด้วยการเข้าพระละสมาบัติถ้าถ้ามองภาพโดยรวมที่พระองค์ท่องเที่ยวไปในวัด ต, ตะเนี่ยนะปกติแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เหนื่อยหน่ายในวัด ต, ตะเต็มทีเนี่ยนะเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วก็เห็นโทษในวัด ต, ตะเต็มทีเพรา ะ, ะนั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจแทงตลอดพระนิพพาน พระองค์จึงเสด็จไปที่ใดก็เพื่อเข้าพระสมาบัติยิ่งแรกแตรัสรู้ด้วยนี้ถือเอาการเข้าพระสมาบัติเป็นพุทธกิจที่สำคัญอันนั้นก็คือการสเสวยวิมุตติสุขแต่การสเสมยวิมุตติสุขของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ไม่ใช่ทำแบบคนมัวเมาลหลงไหลอะไรไม่ใช่ทำด้วยความเพียบพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยสติและปัญญาสติปัญญาระดับอรหัตผลสมาธิด้วยเนี่ยนะ แล้วก็เป็นสมาธิที่ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญทําให้พระองค์แสดงคำในตอนหลังเพราะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้แห่งสรรพสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้เพราะถ้าหากว่าพระองค์ไม่เ อ, อิบอิ่มไปด้วยสมาธิเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนที่พร่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่นี้ไม่พระองค์มีความอิ่มอยู่ในในตัวเองตลอดเวลาด้วยอํานาจแห่งฌานโดยเฉพาะโลกุตระฌาน ที่เข้าพร ะ, ะสมาบัตินั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่บริสุทธิ์ใจอย่างเต็มที่ที่จะสงเคราะห์หมูสัตว์ทั้งหลายนิย้อนมาที่โคนต้นอาชาปาระนิคโครธเนี่ยนะต้นไทรที่คนเลี้ยงแพะไปพักเนี่ยนะเสีบที่พระองค์ไปประทับนั่งอยู่เนี่ยออมาก็ยังนึกว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนนะท่านบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพเนี่ยนะไม่รู้ว่าตรงไหน เจงก็คงโค่นหายตาจากไปหมดแล้วนะเพราตั้งสองพันกว่าปีแล้วครั้งนั้นแลพรามคนหนึ่งผู้มักตาวาดผู้อื่นว่าเหอะเหอเนี่ย น, นะไอเหอะเหอตัวนี้มาห ง, หงกะเนี่ย น, นะแล้วว่าเป็นคนชอบอะไรนะได้ยินใครก็ต้องออกเสียงที่เป็นลักษณะเหยียดยามคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนกลุ่มนั้นนะเห็นหน้าใครก็แปลงเสียงเหยียดยามขึ้นมาทันทีเลย พราหมณ์คนนี้นี่เขาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเหตุเพียงเท่าไหรนอแลเหตุที่ทําให้เป็นพรามณ์นะคําถามที่หนึ่ง เป็นพราหมเนี่ยเหตุอะไรทําให้เป็นพรามณ์และธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพราหมณ์นี่เป็นไนอยากรู้ว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพราหมณ์นี่เป็นอย่างไรของเขานี่เป็นพวกวันนะพราม์นะพรามของเขาคือวันนะเขาไม่ได้ถามว่าถามธรรมะแบบพลาดอาหารอะไรหรอกลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพราหม์ใด มีบาปประรรมอันลอยเสียแล้วคําว่าพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าหมายถึงคนลอยบาปไม่มักตวาดผู้อื่นว่าเหอะๆเนี่ยนะเป็นคนไม่ขี้โกรธหมายถึงไม่ตวาดใครทั้งนั้นแนหะไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดนะน้ำฝาดก็คือน้ําย้อมนะไม่มีกิเลสดูดน้ําย้อมเช่นกาสาวะก็คือผ้าผ้าย้อมน้ําฝาดเพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสเป็นประดุดน้ําย้อม มีตนอันสำรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกไหนๆพรามนั้นควรกล่าววาทะว่าเป็นพรามโดยชอบธรรมอันนี้กล่าวถึงคุณสมบัติของพรามที่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พรามโดยวันนะอินเดียนั้นเขาถือวันนะสี่เนี่ยนะกษัตริพรามแพทยสูตร มันวัะพราหม์ก็ถือว่าเป็นวันะที่สูงมากนะในความรู้สึกของเขานะในความรู้สึกของเขาก็ถือว่าเขานี่วันะสูงมากก็เลยไปถามถึงธรรมะที่เป็นพราหม์แบบลทัทธิของตัวเองแต่พระพุทธเจ้าก็ตอบพราหม์โดยประมัดพราหม์ที่หมายถึงผู้ลอยบากเนี่ยนะละบาปลอยบาปหมดเกลี้ยงแล้วมาดูข้อความในอัตกถาเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหา เพิ่มเติมขึ้นในหน้า83ย่อหน้ากลางบอกว่าวิมุติสุขาปฏิสังเวทีความว่าเมื่อทรงพิจารณาธรรมะแม้ที่ต้นอชปารานิโคร่นั้นประทับนั่งเสวยวิมุติสุขก็ปกติการที่จะเข้าพระสมมาบัติอย่างไรก็ต้องเจริญอนุปัสนาซะก่อนเนีย่ยนะเจริญอนุปัสนาจึงจะเข้าพระสมมาบัติได้งนั้นพระองค์ก็มีการพิจารณาธรรมเพื่อที่จะเสวยวิมุติสุข ต้นไม้นั้นมีอยู่ด้านปุรัติมะทิศแต่โพพฤกปุริมะนี่ก็คือในที่ตะ ว, วันออกนั่นแหละก็บทว่าสัตดาห์ห่งนี้ไม่ใช่เป็นสัปดาห์ต่อจากสัปดาห์ที่นั่งขัดสมาธิเนี่ยนะความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยับยั้งอยู่นะที่คน อ, อยู่ที่ใกล้โพพฤกนั่นเองตลอด3ามสัปดาห์นอกจากสัปดาห์ที่ทรงนั่งขัดสมาธิ นนะมีเรื่องราวตามลำดับดังต่อไปนี้ว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็คือตรัสรู้อรหัตตมรรคที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัพพัญญุตยานหรือที่เรียกว่าอสาธรณญาณเวสารัชญทศพลญาณเป็นต้นพระองค์ก็ประทับนั่งขัดสมาธิตลอดสัปดาห์หนึ่งตลอดสัปดาห์หนึ่งก็คือตลอดสัปดาห์ใช้วันที่7ก็พิจารณา ธรรมะสามสูตรตามที่เราเรียนมาแล้วทีนี้ระหว่างที่พระองค์พิจารณาทมอยู่เนี่ยนะจนอรุณขึ้นเนี่ยพวกเทวดาก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เสด็จออกธรรมะอันกระทามความเป็นพระพุทธเจ้าแม้อย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือหนอ่อนะเรียกว่าตรัสรู้พอประทับนั่งบรรลุได้ตั้งเจ็ดวันแล้วอ่นะ นี่ก็ผ่านไปเจดวันแสดงว่ายังไม่ได้บรรลุหมดสิแสดงว่ายังมีอย่างอื่นที่จะต้องบรรลุอีกจึงไม่ยอมเสด็จออกจากโคนต้นโพก็เลยสงสยัยว่าเอ๊ะธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีอีกอยู่หรือหนอครั้นในวันที่8คือหลังจากคืนนั้นที่พระ อ, องค์พิจารณาธรรมะอะไรนะธรรมะปฐมยามมชิมยามและปะชิมยามผ่านไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาบัติ ทรงทราบความสงสัยของพวกเทวดาจึงเหาะขึ้นไปสู่บนอากาศเพื่อกําจัดความสงสัยของเทวดาเหล่านั้นแล้วแสดงยมกัปาติหารแสดงยมกัปาติหารก็คือพระองค์เน้นเนรมิตรัตนจงกลมขึ้นบนอากาศก่อนแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยนะแล้วก็เนรมิตพระพุทธรูปขึ้นมาอีกเช่นเนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาในระหว่างนั้นเนี่ยพระองค์ก็ แสดงย ม, มะกะย ม, มะก่นี่โดยศัะะ์แปลว่าคู่ปาติหารที่แสดงเป็นคู่คเช่นท่อขวาตาขวาเนี่ยสายน้าออกท่อตาสายสายไฟจะพุ่งออกันะด้วยอำนาจของกสิณแล้วสรีระของพระองค์เนี่ยจะมีพระสมีอยู่ด้วยเพราะนั้นท่อไฟกับสายน้ำเนี่ยจะพุ่งมาเป็นสีหสีนแล้วก็หูขวาท่อไฟหูซ้ายก็จะเป็นน้ำถ้าหู ซ้ายเป็นน้ําหูขวาก็จะเป็นไฟเนี่ยก็จะมีการสลับกันอยู่อย่างนี้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งร่างกายในส่วนข้างหน้าส่วนข้างหลังส่วนข้างซ้ายส่วนข้างขวาเป็นต้นเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าท่อไฟสายน้ําไหลออกมาจากขุมขนต่างๆเพื่อแสดง ย, ยมกะัติปาฏิหารเพื่อแสดงเพื่อตัดความสงสัยให้พวกเทวดาว่าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับยืนในด้านทิศอุดร หันเฉียงไปทางทิศประจีนเยื้องกับบัลังไม่ใช่ตรงนะทิศอุดรก็แปลว่าทิศเหนือใช่ไหมแสดงว่าตะวันออกเฉียงเหนือของต้นโพคือพระองค์นี่ไปประทับยืนอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของต้นโพพระองค์ก็ลืมพระเนธดูบัลังและโพพฤกเนี่ยนะดูบัลังแล้วก็ดูโพพฤกอันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งพระบรารมีที่ทรงสะสมมาตลอดสอสงขา ย, ยิ่งด้วย แสนกับทรงยับยั้งอยู่ตลอดหนึ่งสัปดาห์สถานที่นั้นจึงเกิดชื่อว่าอานิมิสเจดีเจดีที่ลืมตาดูแบบไม่ไม่กระพริบเลยนะดูอยู่เจ็ดวันเนี่ยนะแสดงว่าอะไรนะพูดแบบภาษาไทยเราบอกเป็นยืนขอบคุณต้นโพะยืนขอบคุณสถานที่ว่าเพราะสถานที่นี้แหละทำให้ประเสริฐความเอ่อทำให้สำเร็จความ ความปรารถนาทั้งหมดที่ได้ตั้งเอาไว้ความปรารถนาทั้งมวลที่ได้ทำเอาไว้บุญทั้งมวลที่ได้ทำเอาไว้ได้มาสาเร็จนะสถานที่นี้เนี่ยนะก็ระลึกถึงคุณของสถานที่ว่าเป็นที่ที่ทำให้พระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเราถ้าไปที่นั่นก็ไประลึกถึงวัาสถานที่แห่งนี้ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะ ก็ไปกราบไปไหว้ไปละลิกถึงโดยเฉพาะถ้าใครไปละลึกถึงบารมีทั้ง10ของพระองค์อุป ป, ปารมีสิบปรมามัทธารมีสิบไปละลึกถึงอาณาปานสติไปละลึกถึงปุเพนิวาสานุสติญาณไปละลึกถึงจุตูปปาตาญาณละลึกถึงอาสวัคคายายนไปละลึกถึงอาสาธารณะญาณเป็นต้น นะและลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายที่ ท, ที่มีแนบแด่พระองค์เนี่ยนะนสถานที่นั้นที่โคนต้นโพเนี่ยนะจะได้บุญไม่ใช่น้อยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจงกรมที่รัตนจงกรมอันยาวไปดายาวไปทางด้านปุรัติมทิตและปัชิมัทิตระหว่างบัลลังก์กลับที่ประทับยืนทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาสถานที่เดินจงกรมกลับไปกลับมาระหว่างที่ ยืนดูต้นโพกับโคนโพเนี่ยนะตรงนั้นเรียกว่ารัตนจงกลมเจดีย์รัตนจงกลมเจดีย์ตอนนี้เขาก็มีไอจำลองเป็นดอกบัวเห็นไหมดอกบัวเป็นเหมือนกับแท่นวางกระถางทูปะนะตรงนั้นนะเขาเนรมิตเป็นรัตนจงกลมเนี่ยนะรัตนจงกลมมีอยู่ประมาณสักสิบกว่าอันเนี่ยนะสิบกว่าอันเป็นเป็นก้อนหินเนี่ยนะเป็นก้อนหินวางวางเรียงไว้ทิ้งต่างสมมุติว่านี่คือเป็นที่ เดินจงกรมของพระผู้มีพระภาคทางด้านปชิมทิศจากสถานที่นั้นนะนะก็คือด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยนะเทวดาก็เนรมิตเรือนแก้วทรงประทับนั่งสมาธิในเรือนแก้วนั้นทรงพิจารณาพระพิธ ร, รมปิดกอันเป็นสมันตะปัฏฐานอนันตนายโดยพิเศษเอภิธรรมนี้เขาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันอภิธรรมที่พระพุทธเจ้า พิจารณาเนี่ยนะถือว่าพิสดารที่สุดเนี่ยนะไม่มีอะไรจะพิสดารอีกกว่านั้นอีกแล้วทีนี้พระองค์ก็แสดงแสดงที่ดาวดึงเนี่ยนะอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงที่ดาวดึงก็ถ้าเทียบกับที่พระองค์พิจารณาแล้วอภิที่ดาวดึงก็ไม่ได้พิสดารมากอะไรมาแสดงให้พระพระสารีบุตรฟังเนี่ยแบบยอ่อพระสารีบุตรก็มาขยายแบบปานกลางมันอภิธรรมปิดกที่มีอยู่เนี่ยถือว่าเป็นประเภท ปานกลางไม่ใช่พิสดารที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าพิจารณาเพราะถ้าพิพสดารที่สุดเท่าที่พระพุทธเจ้าพิจารณาเนี่ยนะเราคงเรียนไม่ไหวเพราะคิดดูว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่สินาทีนี้พระองค์ก็คิดอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยนะมันของเราถ้าถ้าพระองค์เนี่ยสิ่งที่พระองค์คิดอยู่7วันมาเขียนเป็นตัวหนังสือหมดก็สงสัยต่ออายุกันหลายชาตินะ อายุสักห้าหมื่นปีเนี่ยนะอาจจะจบรอบหนึ่งนะพระองค์ก็พิจารณาอภิธรรมปิดกอันเป็นสมันตะปัฏฐานปัฏฐานที่ตั้งเอาไว้โดยรอบเนี่ยนะตั้งเอาไว้โดยรอบอนันตไนคือไนยะอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงยับยั้งอยู่หนึ่งสัปดาหนะ์ณสถานที่นั้นจึงชื่อว่ารัตนคระเจดีรัตนาก็คือแก้วคระแปลว่าเรือนเนี่ยนะเจดีที่เป็นเรือนแก้วที่พระองค์เนี่ยประทับนั่ง พิจารณาพระอภิธรรมเน่ยนะเพราะในที่รัตนครฤเจดีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเน้นพระปัญญาเป็นพิเศษเพราะพระปัญญานี่ทําให้พระองค์เนี่ยแทงตลอดพระพระอภิธรรมทั้งหลายอภิธรรมก็คือทำอันยิ่งทำที่พิเศษนะนะทำอันยิ่งทำอันพิเศษสรุปว่าพระองค์นี่ยับยั้งอยู่สี่สัปดาห์ที่ใกล้โคลนต้นโพเนี่ยนะใกล้ต้นโพเนี่ยอยู่สี่สัปดาห์ด้วยอาการอย่างนี้ หลังจากที่พระองค์ตรัสรูน้นะพระองค์ไม่เคยมาต้นโพอีกเลยเท่าที่ข้อมาจำได้นะไม่เคยพบว่าพระพุทธเจ้ากลับมาณนะที่นั้นนั้นพระองค์จึงอยู่ณนะที่นั้นตั้ง4สัปดาห์นนะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาอีกเลยในสัปดาห์ที่5พระองค์ก็เสด็จออกจากโพพฤกเข้าไปยังต้นอาชาปาระนิโครธทรงประทับนั่งสมาธินะควงต้นอาชปาละนิโครธก็คือต้นทรายที่กาลังพูดถึงอยู่นี้ ทีนี้พรามที่เข้าพรามที่เข้ามาหาเนี่ยชื่อว่าโหงกะชาติโกได้ยินว่าพรามนั้นเป็นที่ถมังคลิกะถือว่าการเห็นนี่เป็นมงคลถือว่าการเห็นเป็นมงคลถ้าถือว่าการเห็นเป็นมงคลการเห็นก็เป็นอัปมงคลด้วยเหมือนกันนะถ้าหากว่าเห็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นมงคลเห็นสิ่งที่เลวร้ายก็ถือว่าเป็นอัปมงคลเป็นคนที่มีมา n ะจัดมาก เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีกําเนิดต่ําจึงเกลียดเที่ยวทาสิ่งเที่ยวทําเสียงว่าหูหงกะเนี่ยนะหูหงกะหรือตรงนี้เขาแปลว่าเหอะเหเนี่ยด้วยอํานาจมานะความเย่อหยิ่งเต็มที่แล้วก็เห็นถ้าใครเร็วนี่โกรธหมดเลยลักษณะแบบนี้นะพวกกลุ่มที่ถามังคลิกะเนี่ยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกนี้จะไม่ยอมเห็นคนวันณะต่ําทําใจไม่ได้จริงๆเห็นคนวันละต่ํา บางพวกถึงกับเหตุถ้าเห็นคนวันละต่ำนี่ถึงเอาน้ําล้างตาเลยเนะถือว่าโอ้โหเลวร้ายมากเห็นเห็นเดราชานยังไม่หนักเท่าไหร่นะถ้าเห็นคนวันละต่ำๆนี่ยังต้องเอาน้ําล้างตายังมีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนจันทานนะนะกับนี้นยียังเกิดเป็นจันทานเลยพอพระองค์เนี่ยมาเกิดเป็นเป็นถือกําเนิดเป็นจันทานเนี่ยก็ต้องเที่ยวศิลร์ถือเออเล่นศิละปะแบบคนจันทานเพื่อ เลี้ยงชีวิตไปวันๆหนึ่งในเมืองนั้นมีลูกของพราหมณ์ชื่อว่านางธิถะมังคลิกะนางธิถะมังคลิกะปเทือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดในวรณะสูงพันสิ่งที่เขาเห็นจะต้องเห็นคนชั้นสูงอย่างเดียวถ้าหากว่าเห็นคนชั้นต่ำต้องเอาน้ําล้างตานี่พระโพธิสัตว์นี่กำลังแสดงเรียกว่าศิละปะของคนจันทานอยู่ นางทิฏฐมังคลิกาเนี่ยไปเห็นว่านั่นการแสดงของใครจะบอกว่านั่นการแสดงของจันทานว่างั้นเถอะแค่นั้นแหละก็บอกว่าเอาน้ำหอมมาเอาน้ำที่ผสมน้ำหอมมาล้างตาก็บอกวันนี้เลิกเที่ยวแล้วที่จริงก็จะไปเที่ยวนะพอไปเห็นคนจันทานเข้าบอกกลับอย่างเดียวก็เลิกเที่ยวแล้วพวกที่จริงไงตอนไปเที่ยวนี่หอบอาหารหอบเครื่องดื่มหอบสุราเต็มยอยะไปหมดเลย พอไปเห็นคนจันทานก็เลยกลับไอ้พวกลูกน้องเนี่ยก็เลยโมโหใหญ่เลยไปทุบคนคนจันทานเนี่ยทุบพระโพธิสัตว์เกือบตายทุบจนสลบแล้วไปทิ้งไว้ที่กองขยะเนี่ยนะเขบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละแม่ตัวตัวเลวร้ายนะที่ที่ทำให้อดดื่มอดเที่ยวอดสนุกเ่ยนะนะก็เลยทุบพระโพธิสัตว์จนสลบเลยฟื้นขึ้นมางงเงยียงงเงยียเรื่องไปยังไงมายังไงนะก็เลยทบทวนที่มาของชาดกชื่อว่ามาตังคชาดก แต่ชาตินั้นถ้าตอนหลังท่านก็บําเพ็ญได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดก็เป็นชาติที่ที่ถูกประหารเอ่อถูกเขาตัดคอเองเหมือนกันมันผู้ที่ถือทิฏฐะมังคเลกากถือว่าการเห็นนี่เป็นมงคลพวกนี้ไม่ถือมงคล38นะถือเอาการเห็นสิ่งที่ดีๆว่าเป็นมงคลถ้าเห็นสีสวยๆเห็นโคเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นมงคลถ้าไปเห็นสุนัขเข้าก็อัปมงคลเป็นต้นเนี่ยแล้วแต่จะถือขึ้นมานะ พันพรามแต่พรามคนนี้ก็เหมือนกันนะเพราะตัวเองเนี่ยมานะเพราะถือว่าตัวเองชาติตระกูลสูงก็นิสัยเป็นคนขี้โกรธมองคนอื่นเลวร้ายไปหมดพรามคนนี้ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะทีนี้เขามีคำถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมพวกเทวดาและมนุษย์จึงเข้าไปเฝ้า น, นะทำไมเนาะเทวดาและมนุษย์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ตอบว่าเพราะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีจิตกระสับกระสายถูกพยาธิโรคคือกิเลสต่างๆเนี่ยเบียดเบียนบีบคั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุเพื่ออะไรเพื่อการฟังธรรมบางทีก็เพื่อถามปัญหาเป็นต้นเพื่อเยียวยาพยาธิคือกิเลสเหมือนหมอผู้มีอนุภาพมากอันมหาชนผู้มีกายกระสับกระสายถูกโรคและทุกมีระการต่างๆเบียดเบียน จึงเข้าไปหาเพื่อเยียวยารักษาโรคนั่นนะผู้ที่ถูกโรคคือราคะโทสะโมหะถูกโรคคือความสงสัยเบียดเบียนบีดบดคั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะบำบัดโรคภัยเหล่านี้ทีนี้พราหมณ์คนนี้พอเข้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มีการทําปฏิสันถานการต้อนรับเชื้อเชิญกันเนี่ยนะก็เข้าไปถามว่าท่านผู้เจริญนะท่านยังพอทนได้หรือยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ก็บันเทิงร่วมกันมีการพูดคุยกันไปถามว่าทาไมพราหมณ์คนนี้จึงรู้จักชื่อพระพุทธเจ้าถ้ามีคำถามตั้งขึ้นนะนะทำไมเขาจึงรู้จักชื่อพระพุทธเจ้ากก็ใครจะไม่รู้จักชื่อพระพุทธเจ้าสมัยนั้นนะนะโคตมะเนี่ยเขาเรียกพระพุทธเจ้า ว, ว่าโคตมะโคตมะโคตมะโคดเนี่ยนะก็บอกว่าเพราะสมัยนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มี ชื่อเสียงอยู่แล้วนี่นายหนึ่งอีกนายหนึ่งก็บอกว่าพระองค์เนี่ยปกติเสด็จเที่ยวไปกับพระปัญจวัคคีผู้อุปถักในคราวบำเพ็ญความเพียรอยู่หกพันสาภายหลังเนี่ยพระองค์ก็ทรงละวัดนั้นเสด็จเที่ยวบินทบาตพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนสองในตําบลอุรุเวลาเสนานิคมพราหมณ์นั้นก็เคยเห็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วก็เคยเจรจากันขั้นตอนหลังเนี่ยพราหมณ์นี้ก็เลยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า คำถามนี้ก็ทวนถามถึงปริมาณคือเหตุที่ทําให้เป็นพรามนะถามถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพรามใช่ไหมคำถามที่พรามก็ถามถามว่างไงนะทวนอีกครั้งหนึ่งพระโคโดมผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพรามด้วยเหตุเพียงเท่าไหรนะ้อแลธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพรามนี่เป็นฉไงพรามตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าหมายพิเศษคือพระอรหันเนี่ยนะ พัะในอัตถกถาย่อดหน้ากลางหน้า87ที่บอกว่าบทว่าเอตมัตถังวิธิตวาความว่าพระองค์นี้ทรงรู้แจ้งเนื้อความอันนี้ที่เป็นจุดยอดแห่งตัญหาที่พราหมณ์นั้นทูลถามนะก็คือทูลถามถึงเหตุที่ทําให้เป็นพราหมณ์คุณธรรมของพราหมณ์แต่พระองค์ตอบคําถามอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการพูดแบบเป็นการแสดงธรรมแก่พราหมณ์นั้นถามว่าเพราะเหตุไรเพราะพราหมณ์เนี่ยนะ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 ไม่ใช่เป็นลักษณะการประกาศอริยสัจธรรมเพื่อให้พราหมณ์บรรลุแต่เป็นการพูดเพื่อเป็นวาสนาต่อไปแก่พราหมณ์หรือแม้กระทั่งการแสดงพุทธคุณให้อุปการชีวกฟังเนี่ยนะหรือที่แสดงการถึงสาระคือที่ตะปุสสะกับผลิกะถึงพระพุทธพระธรรมว่าเป็นสาระสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นวาสนาภาขยะเป็นวาสนาที่จะทาให้ตรัสรู้ต่อไปใน อนาคตเนี่ยนะมันผู้ที่ฟังคําก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากพวกนี้ถือว่าเป็นวาสนาเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยที่จะให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตแต่ก็ยังไม่พบว่าพรามณ์คนนี้บรรลุได้ได้บรรลุหรือยังนยนะใครพบมั่งก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าพบที่ไหนว่าเอ๊ะท่านไปบรรลุหรือยัง น, นะแต่ว่าอุปการชีวกเนี่ยบรรลุแล้วตปุสสะพรลิกะพวกน้ท่านเหล่านี้ก็บรรลุแล้ว บทว่าโยบรามโณความว่าบุคคลใดชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะลอยบาปประธรรมได้ น, นะเพราะเป็นผู้ที่ลอยบาปคําว่าบาปในที่นี้นี่แปลว่าสิ่งที่เลวร้าย น, นะสิ่งที่เลวร้ายที่อยู่ในใจ น, นะผู้ที่เป็นพราหมณ์นี้ประกอบด้วยคนที่ไม่เป็นพราหมเนี่ยนะหรือบาปประธรรทำเป็นเหตุให้ผู้ประกอบด้วยบาปประธรรมเนี่ยมีการตวาดผู้อื่นว่าเฮ้ยเดุดน้ําฝาดเป็นต้น ก็ถ้าพูดแบบตรงๆกันนะเขาเขานี่อยากจะอยากจะให้พระพุทธเจ้าตอบว่าแบบท่านนี่แหละเรียกว่าเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าปฏิเสธแบบชนิดที่เรียกว่าตรงกันข้ามหมดทุกเรื่องไอ้พวกชอบตะวาดคนอื่นไม่ใช่พรามเหมือนกันเพราะพวกนี้เป็นทิฏฐมังคลิกะยังปฏิญาณตนว่าเป็นพราหมณ์พวกนี้เป็นพราหมณ์เพียงแต่ชาติอย่างเดียวก็หาไม่บุคคล น, นั้นชื่อว่าเป็นพราหมเพราะลอยบาปประธรรมได้ไม่ใช่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 รวมพสเกือบพันหนึ่งแล้วพวกนี้จึงมาล้มล้างพระพุทธศาสนาได้สําเร็จพะสะพันเสร็จเสร็จเนี่ยนะสังกราจาเนี่ยเป็นคนวรนนะพรามที่กล่าวตูว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของศาสนาฮินดูเนี่ยนะก็ตอนหลังก็ล้มล้างพระพุทธศาสนาได้สําเร็จทั้นกลุ่มที่ผูกพยาบาทลึกๆในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะเพราะว่าล้มเลิกระบบวันนะเกือบทั้งหมดออกไปเนี่ยนะเพราะพวกนี้โกรธแค้นมากก็อย่างว่านะ พวกพราหมณ์นี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมใช่ไหมพอตอนหลังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็เลยกลายเป็นว่าน้อยเนื้อต่ําใจไอ้ต้นเหตุที่ทําให้ระบบวณะพราหมณ์นี่เสียหายไปคืออะไรก็มองว่าพระพุทธศาสนาก็เลยหาช่องที่จะทําลายพระพุทธศาสนาย้อนกลับมาที่บอกว่าที่เรียกว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยนะหมายถึงลอยบาปประธรรมหมายถึงไม่มัดไม่มักตวาดผู้อื่นว่า แปลว่าไม่โกรธนั่นเองและไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดที่บอกว่าชื่อว่าปราศจากกิเลสที่ขู่ผู้อื่นว่าเห่เเพราะละกิเลสที่ขู่ผู้อื่นว่าเห่เหอได้อะไรนะลักษณะที่เสียงที่เกิดจากโทสะเป็นสมุทฐานที่ตำหนิผู้อื่นไม่มีเลยนั่นคือผ้ารหารทั้งหลายพันสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผ้ารหารจะโกรธเพราะผ้ารหารไม่โกรธ สมัยสมัยใหม่บอกเดี war, ๋ยวทาให้พระอราหันต์โกรธเป็นต้นเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะพระอราหันต์ทั้งหลายจะไม่มีคําว่าโกรธผูท้ที่โกรธก็ไม่ใช่พระอราหันต์แล้วก็ไม่ใช่พระอนาคามีด้วยนะพระอราหันต์นี้ชื่อว่าไม่มีกิเลส ด, ดุดน้ําฝาดเพราะไม่มีกิเลส ด, ดุดน้ําฝาดมีราคะเป็นต้นราคะเนี่ยถ้ายอมใจแล้วเป็นยังไงโทส่ายอมใจเป็นยังไงโมหะยอมใจเป็นยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประดุดน้ําฝาด ย้อมใจที่เคยมีศีลเสียศีลหมดเลยย้อมใจที่เคยมี ส, ส, สมถะวิปัสสนาราคะโทสะโมหะย้อมใจให้เสียหายกลายผิดสภาพไปหมดพระอรหันต์นี้ที่เรียกว่าเป็นพรามเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรมีความเพียรอย่างไรก็คือมีจิตประกอบไปด้วยภาวนานุโยคภาวนานุโยคแปลว่าการเจริญภาวนาภาวนาในที่นี้ก็คือเจริญภาเวตปรรมใช่ คําว่าภาวนาเนี่ยเป็นคําที่สีในจํานวนสี่คำก่อนที่จะมาถึงคําว่าภาวนาคืออะไรคือปริญญาปหาณนะสัจฉิกิริยาจนถึงคําว่าภาวนาพันคุณธรรมของพรามณ์คือผู้ภาวนาแสดงว่าท่านได้กําหนดรู้ได้ละทําให้แช้งจึงเป็นผู้อบรมภาวนาเชื่อว่าสํารวมตนเนี่ยนะเพราะมีจิตสํารวมแล้วด้วยศีลแต่ที่จริงต้องอธิบายว่า สำรวมด้วยศีลหรือเป็นผู้มีจิตที่สำรวมแล้วคำว่าสำรวมในที่นี้ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาปีเฉยๆไม่ใช่แต่หมายศีลหมายถึงคุณธรรมคือศีลเป็นเหตุให้สำรวม น, นะหรือสำรวมสภาพจิตด้วยสมถะและวิปัสนาเนี่ยนะให้จิตเป็นไปกับศีลสมถะวิปัสนานั่นแหละเชื่อว่ามีตนสำรวมหรือสำรวมตนเนี่ยนะชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งเวท เวทตัวนี้แปลว่าความรู้นะเป็นผู้ถึงสุดยอดของความรู้เพราะถึงที่สุดคือพระนิพพานเป็นที่สุดสิ้นสังขารหรือที่สุดแห่งเวทด้วยเวททั้งหลายกล่าวคือมรรคยานสี่เพราะความที่ที่ถึงที่สุดแห่งความรู้นี่แหละจึงแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่สงบประงับสังขารานะนที่สุดแห่งเวทคือปฏิบัติจนถึง อรหัตตมรคเกิดขึ้นจบสิ้นว่า ง, งั้นสําเร็จการศึกษาอย่างแท้จริงเป็นที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาคําว่าศึกษาในโลกนี้เนี่ยนะตามพระพุทธศาสนาว่าขณะใดที่เจริญศีลและศึกขาขณะนั้นชื่อว่าศึกษาขณะใดที่เจริญสมถะและวิปัสสนาขณะนั้นชื่อว่าศึกษาแต่ถ้าอย่างอื่นไม่เรียกว่าศึกขาเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่จบเป็นการเรียนที่ไม่รู้จักจบ แต่ถ้าผู้ใดเจริญอธิสิรศิขาอธิจิตศิกขาอธิปัญญาศิกขาอบรมศิกขาสามเหล่านี้จนบริบูรณ์จนอรหัตธรรมกเกิดอันนั้นแหละจึงเป็นการศึกษาที่จบอย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาเรียนอีกแล้วอย่างพระพุทธเจ้านี่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กลับมาเรียนวิชาในโลกนี้อีกไหมไ ม, ไม่ต้องใช่ไหมพระ อ, อนนุนเป็นต้นพระมหากัะสปะพระอริยบุคคลอ่นนั้นท่านต้องกลับมาเรียนแบบที่เราเราเรีย น, เ ร, ยนเรียนกันอีกไหมบอกไม่ต้องท่านจบหมดแล้วเนี่ยนะ ของเราเมื่อไหร่จะจบอย่างนั้นบ้างนะนะถ้าได้เรียนพุทธศาสนาก็ดีสิปไปเรียนอย่างอื่นนี่สิมันน่าหนักใจนะเนะี่ยเรียนวิชาอะไรวิวิชารมปาณาติบาตที่จริงต้องบอกว่าเรียนอาวิชาธรรมปาณาติบาตนะเป็นวิชาที่เป็นอาวิชาที่สังคมยอมรับสูงมากอนนะอาวิชาว่าด้วยอธินนาทานกาเมสโรว่าอะไรก็ได้ที่มันทุศีลเนี่ยนะอาวิชานั้นจะรุ่งเรือง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 กิจสิบหกเร็จแล้วจึงชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์เนี่ยนะทํากิจ16นี่คืออะไรบ้างเกตของโสดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักพราะฉะนั้นก็ทํากิจ16แต่ทีนี้เน้นอะไรมักคพรหมจรรย์ก็คือสําเร็จอรหัตตมักนั่นแหละการประพฤติอย่างประเสริฐเนี่ยนะอยู่จบการประพฤติที่ประเสริฐสูงสุดคือเจริญจนถึงอรหัตตมักแล้ว บุคคลผู้กล่าววาทะว่าเป็นพรามโดยธรรมคือกล่าววาทะว่าเป็นพรามโดยธรรมคือโดยชอบนั้นเขาไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นเหล่านี้เพราะนั้นคุณสมบัติที่สามารถดูได้จากผาา้าหันคือผ้าหันไม่มีกิเลสเครื่องฟูเครื่องฟูเป็นยังไง ร, ราคานี่ทำให้ฟูขึ้นใช่ไหมราคะก็ทาให้ฟูโทสะก็ทาให้ฟูมานะก็ทาให้ฟูทิฏฐิก็ทาให้ฟู ทีนี้รับอารมณ์ใดถ้าราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมานะเกิดทิฏฐิเกิดขณะนั้นสภาพจิตนี่ฟูหมดเลยนะแสดงว่าอะไรนะมันแบบพวกน้ําอัดลมหรือเปล่าจิตมันฟูแบบน้ําอัดลมอย่างนั้นด้วยมันฟูหนักกว่านั้นอีกน้ําอัดลมมันฟูอยู่ในแก้วแค่นั้นแหละแต่ว่าไอ้พวกนี้จิตนี่มันฟูมากกว่านั้นเยอะเพมัะถ้ารับ รับรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะสีมีสีเป็นอารมณ์ก็ฟูด้วยราคะฟูด้วยโทสะฟูด้วยโมหะฟูด้วยมานะฟูด้วยทิฐิพอมีเสียงเป็นอารมณ์ก็ฟูด้วยราคะฟูด้วยโทสะฟูด้วยโมหะฟูด้วยมานะฟูด้วยทิฐิเป็นต้นผู้ที่ฟูอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ผ้รหันส่วนผ้รหัน์ไม่มีกิเลสเครื่องฟูเหล่านี้เลยไม่เศร้ามองแบบนี้เลย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 สองท่านเห็นว่าฉันธราคะหรือกิเลสกามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงน่นะแล้วก็จิตของท่านเนี่ยโอนเข้าไปในวิเวกเนี่ยนะอัธยาศัยของท่านน้อมไปอย่างเดียวคือน้อมไปหาพระนิพพานมีจิตดํารงมั่นในสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีพลร ะ, ระโพชฌงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เรียกกาลังของพระขีณาสพสิบประการนั่นะกำลังของพระขีณาสพสิบประการนะนะก เมื่อท่านมีกําลังเหล่านี้ท่านจึงไม่ฟูด้วยราคะไม่ฟูด้วยโทสะและไม่ฟูด้วยโมหะกําลังพระคีนาสอบสิบประการนะข้อหนึ่งท่านบอกว่าหนึ่งสังขารไม่เที่ยงอันนี้ไม่มีอารมณ์ไหนที่ท่านจะคิดว่ามันเที่ยงแต่เท่าก็บอกว่าอนุปัสนาเจของท่านชํานาญกับทุกอารมณ์ข้อสองท่านบอกว่ากามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงหมายถึงว่าฉันทราคาในวัตถุทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับโยนเข้าไปในหลุมฐานเพลิงไม่ต่างกัน 3. จิตของท่านโอนไปในวิเวก ค, คือพระนิพพาน 4.5.6.7.8.9.10 คือดำรงมั่นในสติปทานสัมมรประทานอิทิบาทอินทรพละโพชฌงและองค์มัชเนี่ยนะเรียกว่ากำลังของพ้าอรหันต์ิประการทำส10ประการนี้เป็นอะไรสัจิกาตประธรรมเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งถ้าเพราะถ้าผู้ใดทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ก็ทาที่สุดแห่งทุกได้ ถ้าอาหานเนี่ยท่านปราศจากไม่ฟูด้วยราคะาไม่ฟูด้วยโทสะไม่ฟูด้วยมานะท่านไม่มีมานะเลยแม้แต่เดียวไม่ไม่อาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมานะเลยแม้แต่นิดเดียวนะไม่มีมานะเกิดขึ้นแม้แต่ในอารมณ์เดียวไม่ท่านไม่เอาสังขารมามาเป็นเครื่องเปรียบด้วยอำนาจมานะเลยกลายเป็นผู้ที่ตำหนิมานะมากอย่างที่บอกว่า ผู้ใดสําคัญกายตนแล้วดูหมิ่นผู้อื่นจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นอริยสัจเพราะนถ้าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นเครื่องเปรียบด้วยอํานาจมานะพระองค์งตําหนิว่าเข่าจริงๆมาเงินและพระองค์งไม่มีมิจฉาทิฐิเลยไม่ไม่เกิดมิจฉาทิฐิเลยมิจฉาทิฐินี้เป็นยังไงมิจฉาทิฐินี้ก็คือความรู้ผิดความเห็นผิดความเข้าใจผิด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 อยู่สังคมเดียวกันเนี่ยนะถ้าที่ใดบอกว่าทิฐิที่นั่นบอกมหาโมหะเลยแหละเนี่ยนะที่ไหนโมหะก็จะตามมาด้วยมิจฉาทิฐิเพราะโง่อย่างเดียวแล้วมันนั่งเฉยๆไหมพวกพวกโมหะมากๆเนี่ยโง่แล้วขยันเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยพวกมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จริงแต่ขยันมากเนี่ยนะเอาจริงเอาจังมากอนะพาสัตว์ไปไหนก็ไปอบายนั่นแหละชักชวนกันไปอบายอย่าง ไม่ไปคนเดียวรองเหงาใช่ไหมไปอยู่กันเป็นฟุงฟ้งๆเนี่ยนะเขาอ้มันก่อนนะฟังอะไรนะข่าวแมลงมันบินจากเมืองลาวมามาที่มุกดาหารมันมาเป็นล้านตัวเนี่ยนะได้เป็นคันรถปิกอัพอ่ะแมลงแมลงตัวตัวเล็กๆเนี่ยนะเอาไปทำปุ๋ยหมักองกมันบินมาเนี่ยมันมาเล่นไฟเนี่ยกองกองแบบกองทรายอะ่ะมันก่อนถามพระรูปหนึ่งบอกว่า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 วัตะเนี่ยนะถ้าไปเป็นหน atal, ออเหตุเห็นหนอเนี่ยนะกระดึ๊บกระดึ๊บเยอะๆเนี่ยจะหนักใจเคยไปบินทบาทบางแห่งเนี่ยนะนอนมันเยอะจริงๆเลยเยอะถึงขนาดเรากลับมาวัดนีฉันเข้าไม่ค่อยลงมันเหมือนกับอะไรนะเหมือนเอาข้าวสุกไปเทไว้บนถนนนะมันขาวๆเต็มถนนอย่างนั้นนะไงก็มากอย่างนั้นไงโยมออวัตตะเนี่ย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 เอาไฟายฝ่ายเกิดหรือฝ่ายเสื่อมดีไม่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เสื่อมไปก็ไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงคือมีความเกิดและความเสื่อมเป็นธรรมดาจึงเรียกว่าไม่เที่ยง <S <s กุศลก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเจริญขึ้นเจริญขึ้นดีแต่ถ้ากุศลเสื่อมลงเสื่อมลงเลวร้ายมากกุศลก็ไม่เที่ยงแต่ถ้ามันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเลวร้ายมากถ้าเสื่อมลงเสื่อมลงเออแจ๋วแจ๋วดีๆๆ นะเพราฉนั้นก็ต้องดูว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนก็มาแยกจําแนกให้ดีๆเนี่ยนะมันก็ถ้าเราเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทุกสามวันทุกเจดวันเป็นต้นอันนี้ดีแต่เมื่อไหรเมื่อไหรก็ซึมอยู่ตามเดิมถ้าอย่างนี้ก็ เ, เกิดอะไรขึ้นถูกอะไรตรึงไว้แล้วในใจเนาะถูกตะปูอะไรเนาะตรึงใจเอาไว้ทําให้ไม่เจริญเลยเนี่ยนะแตนะ่ถ้าไม่เจริญในกุศลเมื่อไหร่นะเจริญกรุณาตัวเองได้เลย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 ก็ต้องมาเอาพระธรรมเนี่ยมาไขค ร, รววในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้มากๆคิดแบบคล้ายๆนะพนางมาลิกาเนี่ยพนางมาลิกามีอยู่ครั้งหนึ่งหลอกสามีทีนี้หลอกสามีเนี่ยก่อนตายานางคิดอย่างนี้ว่าเออเรานี่หลอกสามีใช่ไหมเราก็รู้แก่ใจพระพุทธเจ้ารู้แน่เลยว่าเราหลอกพระสารีบุตรก็รู้นะเนี่ยพระนนท์ก็รู้พระนั้นก็รู้พระองค์น้องก็รู้ยิ่งคิดอย่างนี้ยิ่งเศร้าใจเลยนะตกนรกเลย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 ก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะอันนี้ก็อัครสาวกขวาซ้ายท่านพระมหากัสปะคือสาวกองค์ที่3ท่านพระมหากจัจยนะคือผู้มีปัญญามากแสดงเนติปกร์เป็นต้นท่านพระมหาโกธิตะก็คือเอตทัคคะด้านปฏิสัมพิทาท่านพระมหากปินะก็เป็นเอตทัคคะด้านสอนบริษัทเนี่ยนะพระมหากปินะเก่งมากสอนครั้งเดียวบรรลุ500้เลย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 ท่านเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านเหล่านั้นกําลังมาแตกรายท่านแล้วตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายพราหมณ์เหล่านั้นกําลังมาดูก่อนพิสูจทั้งหลายพราหมณ์เหล่านั้นกําลังมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อย่างนี้แล้วพิกษุผู้มีชาติเป็นพราหมณ์รูปหนึ่งแต่พวกนี้ถือเอาเอาวันละเป็นหลักนะ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลชื่อว่าเป็นพราหม์เพราะเหตุเพียงเท่าไหรน่นอแลและธรรมะที่ทําบุคคลให้เป็นพราหมณ์เป็นฉะไหนถามแบบพราหมณ์อะไรเมื่อกี้นี่แหละพราหมณ์อะไรนะพราหมณมักตาวาดผู้อื่นมาเหอะๆนี่ยแหละคำถามแบบเดียวกันลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ชนเหล่าใดลอยบาปทั้งหลายได้แล้วมีสติทุกเมื่อมีสังโยชน์สิ้นแล้วพุทธาพุทธานี่แปลว่าตรัสรู้แล้วพุทธพุทธาตัวนี้นะเป็นสุตตพุทธาสาวกเนี่ยเออขอไปเป็นสาวกกับพุทธคนที่มีคุณธรรมดังกล่าวเนี่ยนะชนเหล่านั้นแลเชื่อว่าเป็นพรามณ์ในโลกแจริงเนื้อหาเอ่อค่อยๆอธิบายตามลําดับตามอัตถกฐาฐนีดี ที่ายสับแรกก่อนคาว่าสาวัติยังวิหารติสาวัตถีสาวัตถีทำไมเมืองนี้จึงชื่อว่าสาวัตถีในหน้า9กาสิบบอกว่าเพราะเป็นเมืองที่มีเครื่องอุปโภคและบริโภคทุกชนิดสำหรับมนุษย์เพราะสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะของรับประทานเนี่ย ม, มีสมบูรณ์หมดเลยถ้าตอนนี้ไปหาอะไรได้บ้างมีซากอิดมนะีมูลโค เ, นนะเพราะฉะนั้นเอาพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยนะเมื่อถูกถามว่าที่นี้มีสิ่งอะไรในกา ร, รในการประกอบเป็นพวกจึงเรียกว่าสาวัตถีต่อว่าเพราะอาศัยคําว่าสัพพมติมีอยู่ทั้งหมดนะสิ่งทั้งหมดมีอยู่อะไรมั่งไม่มีในเมืองนี้มีหมดอะไรประมาณ น, นั้นเถอะเพราะคำว่ า, เ, าเครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดมีพร้อมมูลโดยประการทั้งปวงในเมืองสาวัตถีเพราะอาศัยความพร้อมมูลนะพอมีทุกอย่างนี่แหละเขาเลยเรียกว่าสาวัตถี สาวทีเนี่ยพระองค์พักที่ไหนประทักที่เชตวันเนี่ยนะเชตวันเชตวันนี้ก็แบ่งเป็นสองสั์เชตะบวกวันนะเชตะแปลว่าชนะฆ่าศึกหมายถึงว่าเจ้าชายเชษตคนเนี้ยเชตะตัวนี้เนี่ยเจ้าเชษตคนเนี่ยประสูติตอนที่พระราชาชนะฆ่าศึกชนะฆ่าศึกก็เลยประสูติพอดีเลยนะก็เลยเรียกลูกชายว่าเจ้าเชษตเจ้าเชษต หรือบางทีก็อย่าไปคิดมากะนะชื่อจะตั้งว่ายังไงก็ได้ตั้งบุญมาบุญมีบุญมากบุญอะไรก็ตั้งได้หมดเลยไม่ยากอะไระนะใช่ไหมชื่อนี่ตั้งเอาเลิศรู้วิจิตขนาดไหนก็ได้เพราะจะไปคิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องชื่อแท้นี่ ว, นะะวะันะแปลว่าคบหาอ่ะนะเชตาวันะวเนวันะที่แปลว่าป่าป่านี่หมายถึงครบหาอธิบายว่าทําความพักดีในตนให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยคุณสมบัติของตน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวณะนะที่แปลว่าป่าเนี่ยแปลว่าร้องขอเหมือนร้องขอเหล่าสัตว์ว่าพวกท่านจงใช้สอยเราด้วยการขานเสียงร้องของวิหกมีนกดว่าวเป็นต้นด้วยความเมาในความเพลิดเพลินด้วยดอกไม้และของหอมนาน า, นาชนิดและด้วยมือคือใบอ่อนของกิ่งไม้ที่ทถูกลมอ่อนๆพัดโชยเพราะฉะนั้นลมอ่อนๆ อ, อ, นอ่ขอลมที่พัดใบไม้อ่อนๆปลิวสวเหมือนกับใบที่กวักมือเรียก เข้ามาเที่ยวหน่อยซิเข้ามาเที่ยวหน่อยซินั้นคําว่าวันะแปลว่าร้องขอเชิญชวนให้คนมาเที่ยวเหมือนกันนะสวนของเจ้าเชษชื่อว่าเชตาวันสวนนี้เป็นสวนที่ปลูกขึ้นนะเพราะว่าราชกุมารพระนามว่าเจ้าเชษเนี่ยปลูกแล้วก็สร้างให้เจริญรักษาเอาไว้สวนนั้นก็จะเรียกว่าเชตาวันเป็นป่าปลูกขึ้นเนี่ยนะก็เป็นบ้านเราก็เหมือนสวนลุมสวนจตุจักรเป็นต้นเนี่ยนะที่ที่ได้รับการเพราะปลูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดี ส่วนอนาถบินทิกระสะอารามีก็คืออารามของอนาถบินทิกะอนาถบินทิกะนี้ชื่อจริงเขาชื่อว่าสุทัตะเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพ์80โกรสมัยนั้นเฉพาะทรั์แบบแบบอะไรนะแก้วแหวนเงินทองเนี่ย80โกรธไอพวกเข้าของเครื่องใช้ไม่นับเนี่ยนะแต่ตัวทรั์จริงๆเลยเนี่ยมีเงินนอนคลังเนี่ย80โกร80โกรสมัยกระบือตัวละสองสามบาทอะไรงน้นะสมัยนี้กระบือตัวละหมื่น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 เพราะมีความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์ทุกประการเพราะปราศจากมนทินคือความตรณีเพราะทั่งพร้อมด้วยคุณมีกรุณาเป็นต้นท่านเลยชื่อว่าอนาถาบินทิกะแปลว่าก้อนข้าวของคนอนาถาเนี่ยนะเป็นเป็นคนใจกรุณาจริงๆะนะถ้าไปหาท่านนั้นไม่มีคำว่าอดอีกแล้วเนะเป็นเศรษฐีใจบุญเห็นคนสงสารไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ่มแน่เหมงอนน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 อีกอย่างหนึง่งชื่อว่าอารามเพราะนำคนแม้ไปในที่นั้ น, น, นมายินดีเฉพาะในภายในตนด้วยสมบัติมีประการดังกล่าวแล้วอารามนี่นะสถานที่นี้ท่านานาฐาบินทิกะครึหาบดีเนี่ยใช้เงิน18โกดซื้อจากพระหัตของราชกุมารพระนามว่าเจ้าเชษโดยการเอาเงินโกดปูลาด18โกดเนี่ยปูลาดคือเขามีอย่างนี้นะบอกว่าท่านานาณาเนี่ย หลังจากที่ไปฟังธรรมที่เมืองราชเครื้อนะไปค้าขายที่เมืองราชครื้แล้วก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาโปรดทางเมืองสาวัตถีบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ให้ยินดีในที่สงัดก็เข้าใจเลยนะว่าเราจะต้องไปหาซื้อที่ดินที่สงัดแล้วก็ไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปชาวเมืองเข้าไปฟังธรรมได้เป็นต้นก็ไปเห็นสวนของเจ้าเชตก็ไปขอซื้อเจ้าเชษก็แกล้งตีราคาเล่นๆน่ะนะผู้เล่นเสร็จ ตกลงท่านจะขายหรือไม่ขายคือเจ้าเชษ์นี่ยพูดเล่นว่าถ้าเอาเงินมาปูในะฉันก็ขายพูดเล่นนะไม่ได้พูดจริงเพราะจริงๆไม่อยากขายเลยรักสวนตัวนี้มากเสร็จแล้วเออตกลงท่านขายจริงใช่ไหมไม่ขายเอาไงกันแน่ก็เลยฟ้องศาลเลยอาณาฟ้องศาลเลยบอกว่าตกลงเจ้าเชษ์จะขายหรือไม่ขายถ้าประเมินราคาถือว่าขายเขาถืออย่างนั้นนะสมัยนั้นศาลก็ตัดสินพวกมาเลยบอกว่าถ้าตีราคาแล้วถือว่าขาย นาถาก็ดีใจใหญ่ยยก็เลยไปขนเงินเนี่ยนะใส่เกวียนมาปูปูปูปู ป, ป, ป, ปูเวน้นเฉพาะที่ตรงต้นไม้เนี่ยนะเอาเงินมาเกลี่ยเกลี่ยหมดไปสิบแโกดเหลือเฉพาะซุ้มประตูเนี่ยไม่ได้เกลี่ยเจ้าเชษ์บอกพอแล้วพอแล้วสิบแดโกรดนนะทีนี้พอซื้อได้เสร็จเนี่ยเจ้าเชษ์นี่ท่านก็เก่งอ่งจริงๆท่านเอาเงิน18โกดเนี่ยข้างล่างนะข้างล่างเนี่ยบรรทัดล่างสาบรรทัดเนี่ยท่านเอาเงิน18โกดสร้างซุ้มประตู นะซุมประตูเจ้าเชินี่สร้างหมด18บดโกรเลยนะจนถึงขนาดเคยมีเดียร์ีหลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยไปถึงเนี่ยจะไปประลองคารมกับพระพุทธเจ้าไปเห็นประตูเข้าวัดก็เลยกลับบ้านเลยแบบไม่คุยละว่า ง, งนะั้นยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่คุยด้วยแล้วไม่กล้าไปถามปัญหาแล้วอาณาฐานนี่สร้างเสนาสนะที่อยู่อีก18โกรฉลองวิหารอีก18โกรเพราะฉะนั้นทําบุญแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข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 เมื่อว่าโดยการสร้างซุง้มประตูและปราสาทที่เชตวันนั้นเจ้าเชษทรงบริจาค1 8ดโกรซึ่งได้จากการขายที่แล้วต้นไม้เนี่ยไม่ขายอีกมูลค่าเยอะนะเขาก็ไม่ไม่ตีราคาต้นไม้อะไรเพราะว่าต้นไม้ท่านบริจาคไปเลยส่วนท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีบริจาค54โกรเจ้าเชตนี่หมดไปหลาย10โกรอนาถาก็หมดเฉพาะสร้างเอ่อซื้อที่สร้างฉลอง 54โกดหลังจากนั้นทำบุญมาไม่นับนเะนะเพราะฉะนั้นพระอ น, นุนผู้เป็นธรรมพันดาคาริกผู้รักษาเรือนคลังเมื่อจะแสดงว่าผู้ต้องการบุญย่อมทำบุญอย่างนี้ด้วยระบบถึงการบริจาคของท่านทั้งสองจึงชักชวนผู้ต้องการบุญแม้เหล่าอื่นด้วยการดำเนินตามเยี่ยงอย่างของท่านทั้งสองก็ถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างนะ พ, นพระสูตรเนี่ยนะ เป็นร่วมเป็นพันสูตรเลยนะเชตวันทั้งปีนะเชตวันอ น, นาถปินทิกัสอารามี ต, ะตระโคภคะวาอะไรก็จะมีเนี่ยเอกังสมัยยังภคะวาสาวัตยังมิหารติเชตวเ น, นเนี่ยคำนี้ถือว่าเป็นคําที่โหลมากเลยนะมีเป็นพั น, พ, นพันแห่งต่อไปมาดูย่อหน้าข้างล่างเลยนะส่วนนั้นก็เกี่ยวกับไวยากรณ์ย่อหน้าล่างที่บอกว่าสารีบุตรเพราะเป็นลูกของนางพรามณีชื่อว่าสารี คือนางพรามณีเนี่ยรูปสารีก็คือสาระใช่ไหมสารีก็คือผู้มีสาระก็คือนางเนี่ยเป็นคนรูปสวยมากแม่พระสารีบุตรเป็นคนสวยมากแล้วก็มีรวยมากด้วยก็เลยเรียกว่าสารีนางสารีผู้มีรูปเป็นสาระนะรูปหมายถึงรูปสวยด้วยแล้วก็รวยด้วยนะลูกของนางสารีก็เลยชื่อว่าสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยผิวของท่านเหมือนทองคำเนี่ยนะเป็นคนงามมาก พรนะโมคขลานะนี่ผิวเหมือนดอกอุบลเขียวนึกไม่ออกเป็นยังไงเขาก็ว่า ง, งามอีกเหมือนกันเราก็นึกไม่ออกตาไม่ถึงต่อไปชื่อว่าพระมหาโมคขลานะเพราะเป็นผู้ใหญ่โดยคุณวิเศษพระเรวตะหมายถึงคัทิระเรวตะไม่ใช่กังคาเรวตะคัทิระเรวตะก็คือน้องพระสารีบุตรน้องคนเล็กชอบอยู่ป่ามากองนี้เอตทักขะป่าที่ท่านอยู่นะคนอื่นชอบอยู่ป่าที่ร่มรื่นงดงามแต่ท่านเลือกไปอยู่ป่าสแ ป่าที่ไม่มีใครไปแย่งเลยแหละนะีท่านไปอยู่ป่าประเภทนั้นนะ่ะจริงอยู่วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุหมูใหญ่เนี่ยนะขนาพระพิสูต์เนี่ยเยอะมากเป็นพันพันรูปเลยแหละเหมือนพระจันทร์ลอยเด่นท่ามกลางท้องฟ้าประคิดดูนะพระพุทธเจ้ามีรัศมีใช่ไหมพระพิสูตจะนั่งเป็นพันพระพุทธเจ้าก็เด่นกับเพื่อนอยู่แล้วพระองค์นี้ประทับนั่งแสดงธรรมคือหมวดแห่งสัจจะสี่ท่ามกลางอริยสัจสี่ ตัอย่างที่ว่าพระองค์แสดงธรรมก็คือแสดงอริยสัจนั่นแหละเหมือนปราสาททองที่แวดวงด้วยม่านม่านแดงอ่ะนะเหมือนภูเขาทองแวดล้อมด้วยโจรทานน้ําเงินภูเขาทองมีสายน้ําที่เป็นสีเงินไหลโดยรอบเนี่ยเหมือนพญาหงษ์ทตระทะแวดล้อมด้วยหงส์เก้าหมืน่นเหมือนพระเจ้าจากาักรพรรดิแวดล้อมด้วยจตุรงคินีเสนาอันรุ่งโรจน์ด้วยรัตนเจ็สมัยนั้นพระอัครส า, าวก อ克拉 ก, ก็คือสาวกผู้เลิศทั้งสองคือพระสารีบุตรพระโมคขลานะและพระมหาสาวก ค, คือสาวกผู้ใหญ่เหล่านี้ได้เข้าไปเฝ้าเพื่อถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าคิดดูนะว่าพระสารีบุตรพระโมคขลานะเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับองค์อื่นๆเนี่ยอย่างน้อยแสนกับทั้งนั้นเลยที่เดินมาเนี่ยนะก็คือผู้มีบุญหนักศักย์ใหญ่สั่งสมบุญมาม า, มาก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 เป็นต้นะนะก็คือมีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะฮิเรโอตตะ ส, ส, สัตธาศินสุตะจาระคปัญญาสติสัมปัญญาคุณธรรมเยอะแยะไปหมดเลยนะทางพระ อ, องค์เห็นท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมจริงๆะนะแล้วกิริยาทางกายก็เป็นผู้ที่มีกายที่สงบเยือกเย็นประกอบด้วยสมบัติคือมัน ญ, ญาติอย่างยิ่งคืออปอากะปะกิริยาเนี่ยนะเป็นกิริยาของผู้ที่ได้รับการฝึกมาจน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 คนที่เจริญสมถาวิปัสนาบรรลุมรรคผลตามลําดับพระองค์เลื่อมใสหมดเลยคือพระองค์เป็นผู้มีศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วศรัทธาเหล่าเนี้นะเป็นอริยสัพย์ของพระองค์ขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังแบ่งทรัพย์เหล่านี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ไม่มีใจที่เรียกว่าริษยาแม้แต่นิดเดียวเป็นคนที่บริบูรณ์ด้วยมุทิตาเนี่ยนะนั้นพระองค์เลื่อมใสเพื่อจะระบุถึงคุณวิเศษของภาษาวกเหล่านั้น จึงตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายว่าพิสูุทั้งหลายพรามณ์เหล่านั้นกําลังมาพิสูจทั้งหลายพรามเหล่านั้นกําลังมาคํานั้นพระองค์นี้ตรัสด้วยอํานุภาพของความเลื่อมใสและพระองค์ตรัสด้วยความยกย่องสรรเสริญเหตุที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพิสูจทั้งหลายพรามเหล่านั้นกําลังมาพิสูจเราทั้งหลายพรามเหล่านั้นกําลังมาเหตุผลที่ตรัสอย่างนี้2ประการคือ1 ประกาศถึงความเลื่อมใสของพระองค์และก็สองพระองค์ต้องการจะสรรเสริญพระพิสุทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้มีพิสุที่เกิดมาจากตระกูลพราหมณ์เนี่ยนะบวชมาจากตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มีโภคะร่ำรวยมากได้ยินว่าพิสุทนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชาวโลกเหล่านี้กล่าวกันว่าบุคคลเป็นพราหมณ์โดยอุปโตสุชาติหมายคือว่าพ่อก็เป็นพราหมณ์แม่ก็เป็นพราหมณ์ลูกที่คลอดออกมาก็ต้องเป็นพราหมณ์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 คราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงพระเถระเหล่านั้นว่าเป็นพรามหมณ์ไม้เอาความนั้นแหละจึงจิงอยู่รูปวิเคราะห์ว่าชาติพราหมณ์ชื่อว่าเป็นพราหม์เพราะสาทะยายม น, นั้นวันณนะพราหมนี่เพราะสาทะยายนั้นส่วนพระอริยะชื่อว่าเป็นพราหม์เพราะเป็นผู้ลอยบาปดังที่พระองค์ตรัสว่าเรียกว่าพราหม์เพราะเป็นผู้ลอยบาปเรียกว่าเป็นสัมณะเพราะผู้ประพฤติสงบทางกายวาจาและใจสงบราคะเป็นต้น ในที่นี้ประสงค์เอาว่าเป็นพรามหมายถึงลอยบาปประรรมเอตมัตถังวิธิตวาทราบเนื้อความแห่งพรามสับอันถึงความเป็นยอดโดยประมัดเรียกว่าสุดยอดของพรามเนี่ยนะสุดยอดของพรามหรือพรามโดยสภาวะโดยประมัดหมายถึงพรามที่มีคุณธรรมดังกล่าวต่อไปคือเป็นผู้ลอยบาปทั้งหลายได้แล้วใช่เป็นผู้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 ปาปะเนี่ยนะปาปะเกปาปะเนี่ยหมายถึงโดยทั่วไปนิยมแปลว่าลามกนะอกุศลธรรมอันลามกอากุศลธรรมอลามกที่พระอรหันต์ละออกไปมีอะไรบ้ า, ง ว, า ง, งว่าโดยทุจริตกลุ่มที่หนึ่งะกลุ่มที่1ว่าโดยทุจริตหมายาว่าท่านละทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจว่าโดยจิตตุบาทที่ท่านกำจัดออกไปก็คือกาจัดอกุศลจิต12 ว่าโดยกรรมบทท่านกำจัดอกุศลกรรมบท10โดยประการทั้งปวงว่าโดยประเภทแห่งปวัติปวตตะหมายถึงบาปอกุศลทั้งหลายที่แยกประเภทเป็นอกุศลหมวด1หมวดสหมวด3มหมวด4หมวดหหมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวด1ิบเจนถึงหมวดทิฏฐิ62หมวดร้อเนี่ยนะที่เรียกว่าถ้าดูเรื่องกิเลสพิสดารจริงๆอยู่ในคุถกะวิพังคัมภีวิพังเลยจะพูดถึงอกุศลมว้อย่างละเอียดยิบไปหมดเลย อันอากุศลประเภทเยอะแ ย, ยะไปหมดเหล่านั้นผ้าอรหันต์กำจัดได้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยมันคำว่าผ้าอรหันต์พรามตรงนี้หมายถึงลอยบาปประธรรมคือทุจริตสามอากุศลจิตส2องอากุศลกรรมบทส0บแล้วก็ น, นะทมที่ควรละหนึ่งคืออะไรนะหาแต่ประธรมธรมทรหนึ่งที่ควรละอัศมิมาณนะทรสองที่ควรละอวิชากับภาวะตันหา ทำสมที่ควรละคือตันหา3ามทำสี่ที่ควรละคือโอคาสี่ทำหที่ควรละคือนิวณห้าทำห6ที่ควรละคือตันหากายะ6กทำเจที่ควรละคืออนุสัยเจดทำแดที่ควรละคือมิฉตะ8ปดทำ9้าที่ควรละคือตันหาเป็นมูล9แล้วก็ทำสิบที่ควรละคือมิชตะสิเป็นต้นทำสิบที่ควรละคืออะไร12ไมี่มีหมหมวดบ มีมีอะไรนะทำส10บางแห่งก็หมายถึงมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10บทำย20ก็คือสากายทิฐิมีวัตถุ 20- 62ก็คือทิฏฐิหกสิบก็คือตันหาร้อยแก็คือกิเลสพันหเป็นต้นพระอรหันต์กําจัดได้อย่างไม่มีส่วนเหลือละบาปเหล่านั้นหมดเกลี้ยงด้วยอนุภาพของอริยมรรคทั้งหลายมีโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรค บทว่าเยจรันติสตาสตาความว่าชนเหล่าใดมีสติเนี่ยนะสตาเนี่ยแปลว่าผู้มีสติคือเป็นผู้มีสติอยู่อันนะด้วยธรรมเครื่อหมายถึงอ่ะด้วยธรรมเครื่องอยู่คือสติ6ในอารมณ์เนี่ยนะมีรูปเป็นต้นตลอดการทั้งปวงเพราะเป็นผู้ถึงความภัยบู์ด้วยสติย่อมเที่ยวไปในอิริยาบทสี คือพระอรหันเนี่ยนะท่านยืนเดินนั่งนอนรับรูปเสียงเปลี่นรถโพธิ์พระธรรมรมไม่มีขณะไหนที่เว้นจากสติเลยเพราะสติท่านภัยบูนเต็มที่พูดแบบภาษาหนึ่งบอกไม่มีคําว่าเผลอไม่มีคําว่าเลอะเลอะเลือนเลอะเทอะเลอะเลือนอะไรไม่มีเลยเนี่ยนะไม่มีคําว่าเผลอแม้แต่นิดเดียวนั่นคือพระอรหันเพราะสติท่านสมบูรณ์จริงๆ แต่ที่ใดใช้คําว่าสติที่นั้นบวกสัมปชัญญะไปด้วยสัมปชัญญะมี4ใช่ไมหนึ่งศาสกะสัมปชัญญะ2โคจรสัมปชัญญะสามปายะสัมปชัญญะสีอสัมโมหะสัมปชัญญะคือความที่ท่านมีสติที่สัมปยุทธกับสัมปชัญญะ4ในอารมณ์6อิริยาบถ4ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนรับรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมณเนี่ยนะท่านไม่เผลอจากศาสกะสัมปชัญญะ ส ป, ปายะสัมปัญญาโคจระสัมปชัญญ า, า, ญญาและอะสัมโมหะสัมปชัญญเนะ เ, เลยนะเก่งจริงๆเลยนะน่ากราบน่าไหว้มากทาไมไว่ายบุคคลขนาดนี้ไม่รู้จะไปไหว้ใครเนาะไปไหวยขี้เล่าเมายาก็ไม่ได้เรื่องอะไรต่อไปคีณาสังโยชนาได้แก่ชื่อว่าสิ้นสังโยตทั้งปวงเพราะตัดสังโยตสิบได้เด็ดขาดด้วยอริยมรรคสี่อริยมรรคสี่คืออะไรโซดาปฏิมรกําจัดสากายะทิฐิวิจิกิจชา ศีลพัตะปรามาติศยากับมัชชะยะเนี่นยนะสังโยชนี่บางแห่งก็หมายถึงสังโยชนิสิแบบสุตันแบบพระสูตรกับแบบพระพิธรรมโซดาปฏิมักกรรมจัดสกายทิถิวิจิกิจฉาศีลพัตะปรามาติศยามัชชะยะสกัฏาคามีมักทําการมราคาปฏิฆาอย่างอยากให้หายไปอนาคามีมักกรรจัดการมราคาปฏิฆาอย่างละเอียด อรหัตมักกัมจัดรูปปราคะรูปปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นท่านสิ้นสังโยชนิบด้วยอริยมรรคทั้งสพุทธาพุทธาที่แปลว่าตรัสรู้แล้วเนี่ยนะนี่ชื่อว่าพุทธเพราะตรัสรู้สัจจะสพุทธานี่เน้นที่รู้อริยสัจ ท, ทั้ง4เรียกว่าพุทธาพุทธานี้โดยศับเนี่ยนะมีอยู่ส า, สาประการเอาแบบพุทธาจริงเลยนะีคือสาวกกับพุทธา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 ผู้เป็นพรามเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยปรามัดเนี่ยนะชื่อว่าพราหมณ์ในสัตว์โลกไม่ใช่เป็นพรามโดยเหตุสักแต่ว่าชาติพรามโคตรพราหมณ์ตระกูลพรามไม่ใช่หรือไม่ใช่เป็นพราม์เพราะเพียงแต่ว่าทรงชดาเป็นต้นนะหาสัญลักษณ์ถ้าตอนนี้เขาาถืออะไรเป็นว่าเป็นพราม์นี่ยเขาบอกว่าบางท่านเล่าให้ฟังว่าเขาถือเอาสายสังสายไอ้เส้นได้ที่ห้อยคอเรียกว่าเป็นพราหม์ ถ้าเป็นพรามขนาดนี้มีได้กี่เส้นแขวนคออะไรเนะี่ยเขาจะมีสั ญ, ญลักษณ์ของเขานะถือเอาได้เป็นนักเนีนะเนะช้ามาพวกนี้ก็จะไปอาบน้ำเนี่ยนะไปล่องน้ําอะไรที่อะไรนะคงคาจะไปเห็นพวกนั้นอาบน้ําบอกโอ้ยบินไปต่างไกลไปดูคนแขกอาบน้ํามีแค่นั้นหรือเนี่ยนะตื่นแต่เดึกเลยนะออกมาก็ฝุ่นตลบไปหมดไปดูคนอาบน้ําไปดูเขาเผาศพไปดูวัดธาตทองเนะี่ยดูเท่าไหร่ในสองสูตรเนี่ยนะสองสูตร คือสูตรไหนอาชาปาระนิโคร ส, สูตรกับเถระสูตรสองสูตรนี้พระองค์เนี่ยแสดงธรรมอันเป็นพรามพระองค์ตรัสถึงผ้ารหันผ้ารหันนะอรหัด ต, ตัวนี้หมายถึงอารหัดตผลด้วยประการชนิดแต่เพิ่งทราบความต่างกันแห่งเทศนานะทั้งๆ ท, ที่สองสูตรเนี่ยนะสองสูตรเนี่เนื้อหาอัตถสาระไม่ต่างกันเลยแต่ก็ใช้คําที่ต่างกันเช่นสูตรก่อนเนี่ยนะ อะไรพระองค์บอกว่าพราหมณใดมีบาปประทำอันลอยเสียแล้วไม่มักตวาดผู้อื่นว่าหอะไม่มีกิเลสดุดน้ําฝาดมีตนอันสํารวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทอยู่จบพรหมจรรย์แล้วไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกไหนไหนพราหมณ์นั้นควรกล่าวว่าทะว่าเป็นพราหมณ์โดยชอบธรำอีกสูตรหนึ่งบอกว่าชนเหล่าใดลอยบาปประทำได้แล้วมีสตทิทุกเมื่อมีสังโยชนสิ้นแล้วตรัสรู้แล้วชนเหล่านั้นแลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ในโลกสองเรื่องนี้ไม่ต่างกันโดยสาระ อัธสาระไม่ต่างกันเลยแต่ที่แสดงต่างกันด้วยเหตุผลสองประการหนึ่งเทศนาวิราชความงดงามแห่งเทศนาพู้เรื่องเดียวนี่ทําไมจะต้องใช้คำซ้ำซ้ำซักซากใช่ไหมฟังแต่คำซักซ้ำซ้ำซ้ำซักซจะไปเพลาะได้ยังไงทันเทศลาวิราชแปลว่าความงดงามแห่งพระธรรมเทศนากับผู้ฟังเนี่ยไม่เหมือนกันสู่แรกเนี่ยพราหมณ์ที่มักตวาดผู้อื่นว่าหึ่ฟังใช่ไหม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 ก็นะเท่ากับเรียนพุทธคุณหรือสังฆ ค, คุณว่าอารหันนั่นแหละ ว, ว่าคุณสมบัติของผ่ า, าหันก็คือผู้ลอยบาปไปแล้วเพระะนันคำว่าะ่ า, าหันเนี่ยโดยศัพท์มีกี่คำนะอรหังก็คือโดยอัตถะตามอัตถกถาดีกาก็มี11ดในด้วยกันนนะในแต่อัตถกถาทั่วไปไว้5้าในในพาหิยะสูจะกล่าวข้างหน้าเนี่ยนะนะนะก็มีอะไรไ ก, กลจากกิเลส กำจัดข้าสึกคือกิเลสหักซี่กาแห่งสังสารจักควรแก่เครื่องบูชาเป็นผู้ไม่มีความลับในการกระทําบาปก็คือเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสใช่ไหมไกลาจากอากุศลก็คือลอยบาปลอยอกุศลได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าเป็นผ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นลอยแม้กระทั่งวาสนาออกไปความเคยชินที่สังสมมาด้วยอํานาจกิเลสเป็นต้นไม่มีเหลือแล้วส่วนผ้าอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ลอยบาปได้หมดเกลี้ยง แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่บ้างนะนะเช่นพระปิเลนทวัชชะความที่เกิดมาเป็นวั น, นะพรามหมณ์มาหรชาติเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลสูงมาตลอดมันชอบดูหมิ่นคนอื่นว่าคนถอยคนถอยเห็นใครเลรวหมดนะเพราะสมัยนั้นถือว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวนเพราะนั้นเวลาเห็นคนอื่นเ็าเรียกคนถอยหมดมันตอนหลังพระท่านจะเป็นพระทหารแล้วก็ยัง ความเคยชินนะนะความเคยชินก็ยังใช้คนอื่นว่าเรียกคนอื่นว่าคนถอยไปไหนมาคนถอยได้อะไรคนถอยมีอยู่ครั้งนึ่งคนฟังโกรธมากเลยนะไปขายไ อ, ดอ้ดีปลีอ่ะดีปลีมันก็เหมือนกับขี้หนูนี่แหละได้อะไรคนถอยบอกขี้หนูครับเหมือนกันเออขี้หนูขี้หนูหมดทั้งจริงๆไปขายดีปรีะนะทั้งดีปรีมันเป็นเล่มเกวียนมาเลยอ่ะบอกบอกว่ า, วาได้อะไรมาคนถอย บอก ข, ขี้หนูครับเหมือนกันขี้หนูเอะมันก็เป็นขี้หนูหมดเลยนะจากดีปรีทั้งหมดเนี่ยเป็นขี้หนูหมดเลยนะกลับไปดูเอา้าขี้หนูหมดลําเกวียนเลยนะเต็มลํานี่มีแต่ขี้หนูก็เล ย, เยก็มีคนแนะบอกว่าพาเอาโคดเนี่ยไปใหม่พระปรินเทพฉะก็ถามอีกได้อะไรคนถอยบอกดีปรีครับเออดีปรีก็เลยเป็นดีปรีตามคืนหมดนะ ก็บอกว่าเอ๊ะพาดหันท่านยังโกรธอยู่หรือไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านเป็นพาดหันทําไมท่านยังชอบเหมือนกับดูหมิ่นคนอื่นเหมือนก็นดูถูกบอกว่าไม่ใช่หรอก<สด><สด>เป็นความเคยชินของท่านเท่านั้นเองเนี่ยนะท่านไม่ได้มีโทสะมีจิตคิดประทุสร้ายอะไรนะเรียกตามความเคยชินเนี่ยนะเหมือนกับอะไรนะผู้ใหญ่เรียกเด็กไอ้หนูไงมันเป็นหนูจริงหรือเปล่านะนะอาจจะเป็นคํา<ส>ท<ด>ี่ค<สด>ุ้นเคยนะเป็นคําคุ้นเคยเท่า<ส>น<ด>ั้นแหละ ช่วงเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเจนทอน